ชมพูคือผู้ทําในรูปแบบทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงเจ้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมันอะไรก็ได้แล้วอะค่ะเพราะว่ามันก็เห็นว่าทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็เผอเดี๋ยวมันก็ประคองเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็ปรุงเดี๋ยวมันก็คือมันก็อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเจคะที่เราทําในรูปแบบมันคือการฝึกซ้อมนั่นเองเหมือนนักมวยอะต้องซ้อมชกแล้วพอมาอยู่ในชีวิตประจําวันนี่เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้ว แต่นักมวยมันมีผู้ต่อสู้คนเดียวใช่หยของเรามันมาเยอะแยะเลยแบบผู้ชนะสิบทิศ <c oughs> มันมารอบทิศทางแต่มารอบทิศทางอย่าตกใจไม่ต้องไปไล่ที่ตามตาหูจมูกลิ้นกายนะ <c oughs> รู้ทันอยู่ที่ใจอเดียวก็พอละดีใช้ได้ชมพูอาอ้าส่ตงต่อไปไม่รู้จะถามอะไรอะครับ ใจตื่นเต็มที่ยังวันเนี้ยขณะนี้น่าจะยังนะครับเฮ้ยน่าจะไม่เอาเป็นยังไงมันดูไม่ค่อยออกแล้วครับดูไม่ออกเหรอใจไปติดความนิ่งไว้นิดนึงรู้สึกไหมเราปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นนิดนึงเกินจริงอ่ะใจไม่โปร่งดูดูออกไหมใจไม่โล่งไม่เบาไม่สบายให้รู้ไปนะไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายก็เพราะว่าเราไปปรุงมันไว้ทําไมเราปรุงอ่ะอยากปฏิบัติ แล้วคิดเรื่องปฏิบัติก็ต้องทําหน่อยนึงตามธรรมเนียมใช่ใชครับกิติมีความรู้สึกเศร้าๆนิดๆครับอตอนนี้หายไปแล้วแต่ว่ามันยังสั่นๆไม่ทราบอะไรไม่ทราบครับเอ่ไมป็นดูไปครับบางทีเราก็เกิดขึ้นเองบางทีก็คนอื่นคิดถึงเราคนอื่นกระทบมาได้เหมือนกันขอบคุณนะงั้นบางทีเราอยู่ๆนะความรู้สึกแปลกๆแทรกเข้ามาให้รู้ทันนะ อ๋อถ้ามันเกิดรู้สึกเศร้าๆให้แผ่ส่วนบุญไว้แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญไม่เหมือนกันนะแผ่เมตตากับแผ่ส่วนบุญคนละอันแผ่เมตตาเนี่ยคือแผ่ความรู้สึกเป็นมิตรออกไปเมตตากับคำว่ามิตรคำเดียวกันเมตตาไมตรีคำเดียวกันทั้งเมตไตรนะชื่อพระสยอันเมตไตรไมตรีตัวเดียวกัน ก็แผ่ความรู้สึกเป็นมิตรกับสิ่งทั้งหลายก็เรียกว่าแผ่เมตตาถ้าะระลึกถึงสัตว์ทั้งหลายขอให้มีส่วนได้รับผลบุญของเราเรียกว่าแผ่ส่วนบุญสองอันไม่เหมือนกันใช้โคลกรณีด้วยนะอย่างเวลาเปลดมาหาเราเนี่ไม่ใช่แผ่เมตตานะต้องแผ่ส่วนบุญของคุณมันออกไปรู้ข้างนอกได้อาจารย์ครับเออผมทาตามคาแนะนาของอาจารย์จากฟังซีดีนะครับ คือให้ตามรู้สภาวะรำไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยส บ, ยสบยมีความรู้สึกว่ามีจะมีความคิดเข้าไป เ, เจอปนนะครับอ่าดีที่เห็นคือพอสภาวะเกิดนะสติะระลึกรู้แล้วก็บัญญัติก็ทํางานบัญญัติทํางานที่มาความคิดเจอือผนมาเราก็รู้ทันอีกครับรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆครนะใจยังตื่นไม่เต็มที่นะยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นกับตื่นไม่เหมือนกันนะ อีกข้อหนึ่งก็คือว่าตอนที่ออปฏิบัติทําอยู่ใช่ไหมครับจะผ่านไปสักระยะหนึ่งจะต้องหายใจลึกๆไม่ทราบจะเกี่ยวกับว่าร่างกายของเราไปเองหรือเปล่าว่ามันเหมือนกับหายใจดวยไม่ช่วท้อง อ, ะ อ, อ่นะหายใจไปธรรมดาและส่วนมากเราภาวนาแต่บางทีบางคนมันถอนใจนะมันภาวนาไปช่วงมื้อถอนใจทิงเป็นนิสัยอย่างนั้นแหละมีเคยเห็นหลายคนเหมือนกันนั่งไปสบายสบาย มันคล้ายๆโผล่ขึ้นมาหายใจสักทีส่วนมากจะเกิดจากพวกที่ไปติดสมาธิหน อ, อ้เบอร์เจอของคุณเบอร์สี่ห้ารู้สึกไหมใจใส่ใจใส่ไปใส่มานะให้รู้ทันเนีย่ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจไหลไปคิดให้รู้ว่าไหลไปคิดเนะี่ยเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหม แม้ถ้าไม่หลงไปคิดนะก็บังคับตัวเองเราสุดตรงสองข้างหลงไปคิดก็ไม่ใช่รู้ตัวเพราะลืมตัวไปเลยหลงไปคิดลืมกายลืมใจบังคับเอาไว้ก็ไม่ใช่การรู้กายรู้ใจแต่เป็นการบังคับกายบังคับใจคนละอันกันถ้าเราบังคับแล้วก็กายกับใจจะนิ่งผิดความเป็นจริงมันจะนิ่งๆิ่งมันไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูหรอกหรือบางทีมันแสดงไตรลักษณ์ได้กับบางคนมันแยกกันนะ พอตั้งตัวรู้ขึ้นมาหนึ่งแล้วตัวนี้นิ่งคงที่เลยแต่ตัวอื่นๆนี่แสดงไตรลักษณ์อย่างนี้ก็เยอะนะที่ฝึกแนวของคุณจะมาเคยเห็นหลายคนตัวนี้ก็ต้องปล่อยออกไปไม่งั้นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ยกเว้นอยู่ตัวเดียวยังมีตัวหนึ่งเที่ยงถ้าตราบใดที่ยังเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังเที่ยงอยู่นะไม่เกิดมรรคผลจริงหรอกนี่ยิ่งพวกที่นิ่งๆอยู่นี้รักษาไว้ได้เก่งนะยิ่งชอบคิดว่าตัวบรรลุมรรคผลนี่สิ มันยุ่งหนักขา้นอีกเขาบอกว่าจิตใจเป็นกลางกับทุกอย่างเลยนะอะไรมาก็ไหลไปจิตเป็นกลางพูดออกมาภาษาเหมือนกันเปรียบเลยแต่จิตไม่ได้เป็นกลางจริงจิตถูกบังคับไวถูกบังคับไวงั้นเวลาเราภาวนาค่อยๆสังเกตสภาว ะ, วะว่าจิตเราไปยึดไปถืออะไรไวหรือเปล่าเช่นเราไปจับเอาความรู้สึกตัวนิ่งๆไว้ตัวหนึ่งยืนพื้นเป็นแบกกล่าวไว ตัวอื่นๆเคลื่อนไหวไปตัวนี้คงที่รู้สึกไหมนั่นแหละเลืกลิกซะหัวเลาะเลยอ่ะเบอร์เจดสิบอใจลอยรู้ไหมสี่สิห้าอ่ะเบอรเจอ็ดสทัทีหลายรอบแล้วจนจะขาดใจที่เมื่อเช้าถามที่หลวงพ่อบอกว่าที่ว่ามันตัดตัดโดยสมถะกตัดโดยวิปัสสนามันต่างกันไหมสมถะเนี่ยไปข่มไว้ ตัดด้วยกันเราไปข่มมันไว้ท่านในความรู้สึกถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราจะเช็คตัวเองว่าอันนี้มันคือตัดง่ายๆนะอย่าสือกความโกรธเกิดขึ้นมาพอเราไปเห็นมันแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมถะเนี่ยมันจะไปเพ่งไปบ้างหรือน้อมไปหาอารมณ์อันอื่นบ้างหาทางแก้ไขบ้างลงมือทําบ้างนะหรือว่าพอไปรู้แล้วหายแวบไปเลยแล้วแต่หนักๆขึ้นมาเนี่ยผิดธรรมดาแต่ถ้า ตัดด้วยปัญญาจริงๆนะพอกระทบความรู้สึกปั๊บขาดสะบ้านไปเองโดยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้คิดจะตัดด้วยนะขาดเองระสติระลึกได้อากุสนับเองเลยนะแล้วจิตจะโปร่งโล่งเบาเลยจิตจะมีละหูตามูทุตาครบเลยปาคุณตาคามัญญาตาคล่องแคล่วว่องไวควรแี่การงานวันนี้ผมจะอยู่จะมาพ่อในประมาณสัก อาทิตย์หนึ่งติดต่อกันใชพอเช็คว่าความพัฒนาหรือว่ามันพัฒนาคึา้ น, นหือพัฒนายังบังคับตัวเองอยู่ดูออกไหมครับผมจิตขนาะนี้ยังบังคับไว้อดูไปนะดูดว่าพรุ่ง <c oughs> นี้อาจะบังคับมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ไปดูนะถ้าขยันดูยังบังคับมากกว่านี้อีกมาจงใจมงมเมื่อไหร่ก็บังคับเมื่อนั้นเบอร์สี่สิบห้ารู้สึกไหมบังคับยืนพื้นไหมแต่เมื่อกี้ลงไป ก, การละมัศกาลพระอาจารย์ค่ะ ก็เห็นว่าจิตหลงไปกับตากระหูบ่อยแล้วก็แต่ส่วนมากจะหลงไปกับความคิดโดยเฉพาะในสามวันที่ได้มาฟังคำสอนของพระอาจารย์เนี่ยจิตเนี่ยจะคิดกับถึงคำสอนของพระอาจารย์ค่อนข้างบ่อยค่ะก็จะแล้วเวลาจะเข้าไปรู้เนี่ยจะมักมีคํากากับอยู่ในใจอยู่บ่อยๆว่าเธอนะคิดนะหลงนะ ค่อนข้างบ่อยไม่เป็นไรนะรู้ไปอย่างนั้นแหละจะห้ามไม่ให้มันพูดยากนะฝึกกันหลายปีเลยกว่าจะเลิกพูดงั้นมันพูดแจ้วแจ้วแจ้วทั้งวันก็เหมือนแบบพูดกับตัวเองอยู่ในใจตลอดแล้วก็แบบคิดถึงคําสอนของพระอาจารย์ในสามวันที่ได้มาฟังตลอดสามวันนี่ค่ะคือถึงไม่มาฟังหลวงพ่อนะก็คิดทั้งวันนะแต่คิดเรื่องอื่นใช่ไหมเผลอทั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้งวันเหมือนกันแต่เผลอไปที่อื่นะนี่เราเผลออยู่ในเรื่องการปฏิบัติ ก็ยังดีมันไปคิดเรื่องปฏิบัติคิดไปคิดไปเราก็รู้สึกขึ้นมาทีนึงเดี๋ยวก็คิดไปอีกก็รู้สึกอีกทีนึ่งดีแล้วล่ะค่อยๆฝึกไปแล้วตอนนี้ที่ในบางครั้งโดยเฉพาะตอนนี้ที่อยู่ตอนหน้าหลวงพระอาจารย์เนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าจงใจหรือตั้งใจที่จะเข้าไปรู้เออตอบถูกอีกใช้ได้เก่งเี่ไม่มาเรียนสามวันรู้เรื่องต้องเรียนสองสามครั้งนะถึงจะรู้เรื่อง แต่ถ้าคนไหนคิดมากนะเรียนสิครั้งก็ไม่รู้นะอย่างพอมานั่งฟังหลวงพ่อพูดนะั่นเอาไปเทียบกับของเก่าตลอดเวลาเลยคือมันไม่กล้ า, าหารพอที่จะล้างถ้วยฉาทิ้งนะล้างแลเช็ดให้แห้งนะแล้วก็ฟังใหม่ลืมของเก่าถ้าชั่วคราวอย่าเไปปนกันไม่ต้องเสียดายนะของที่เคยทํารู้แล้วทิ้งไปรู้แล้วทิ้งแต่กระทั่งสิ่งที่หลวงพ่อสอนนี่แหละพอภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะเราจะเห็นว่ามีแต่รู้สึกเราก็โยนทิ้งไปนะั่นเง ดีละใช้ไดนะ้สามวันเรียนได้ขนาดนี้เก่งนะเนี mm. ่ยคุณโต ร, รู้สึกไหม mm. ตะกี้นะตะกี้ดีกว่านี้เยอะเลยตะกี้นะ่าธรรมดาที่สุดตอนที่ฟังเขาพูดธรรมะ mm. นะันน่าใจถูกต้องเลยหนุ่มนี้บางคำน้อยลงละครับวันนี้รู้สึกว่าผ่อนคลายปฏิบัติบอทผ่อนคลายมากขึ้นเ mm. ครับถูกต้องแหละใช้ได้อ้าคุณวุฒ มลชักกลุ่มเลยมาให้คุณมลก่อนไปได้รู้แล้วรู้รอดไปใช่เลยหลวพ่อเขาวันนี้มลรู้สึกเหมือนมลเริ่มต้นใหม่เลยอะคะ่ะอืก็ดีแล้วนี่เหมือนของเก่ามันมันพังไปหมดแล้วผสมน้ําหน้า <laughs> เอาอะไรของเก่านะรู้โลงปัจจุบันของเก่าก็ทิ้งไปคือการภาวนานะเราไปติดที่เปลือก เราไปติดที่รูปแบบมากกว่าเนื้อหาเนื้อหาก็คือทําไงสติจะเกิดสติที่แท้จริงเป็นยังไงทําไงสติที่แท้จริงจะเกิดสำมาสมาธิเป็นยังไงทําไมสำมาสมาธิเกิดปัญญาที่แท้จริงเป็นยังไงทําไงปัญญาจะเกิดเราศึกษาเรื่องพวกนี้ก็พอละนี่ลืมของเก่าๆซะก่อนส่วนใหญ่ที่ทํำนะนี่พูดแบบเกรงใจนะ่าส่วนมากส่วนมากถ้าพูดแบบจกจริงใจ <laughs> เป็นอีกอย่างนะส่วนมาก ทำมาผิดผิด่เพ่งไว้เห็นไห ม, มเพ่งไว้หรือก็ไม่ก็ปรุงแต่งปรุงกันมาพลุงพลังเลยนะคือจิตใจที่ดีที่สุดคือจิตใจปกติที่สุดของมนุษย์ธรรมดาจิตใจก่อนที่จะหัดภาวนานั่นแหละดีที่สุดเลยเหมาะที่สุดสําหรับการภาวนาเฉั้นจิตใจของเด็กไร้เดียงสานี่นะภาวนาง่ายเด็กผู้ใหญ่เนี่ยจิตใจมอมแมมสิ่งปนเปื้อนเยอะคิดมากคิดมากยากนาน งั้นตามรู้ตามดูนะจะแทรกแซงไปด้วยเนี่ยดัดจริตรู้ก็มีนะรู้แล้วดัดจริตก็มีมีหลายแบบไม่ค่อยรู้ซื่ อ, อหรอกนี่จิตใจปกติจิตใจที่ไม่เคยภาวนาเนะี่พวกนั้นแหละภาวนาง่ายมนุษย์นะ่ะดีที่สุดแล้วนะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงงั้นใจปกติของมนุษย์ธรรมดานะั่นแหละดีที่สุดสําหรับการปฏิบัติธรรมแต่พวกเราทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมนะั้นเราเปลี่ยนสัญชาติตัวเองนะ จากมนุษย์ไปเป็นพรหมเราจะเพ่งก่อนเลยเพ่งกายเพ่งใจนะเพ่งกายมันก็เป็นรูปประพรมเพ่งใจมันก็เป็นอรูปประพรมเปลี่ยนสัญชาติของใจของเราให้มันนิ่งผิดความเป็นจริงนั่นใจธรรมดาของมนุษย์เนะี่ยมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงใจชนิดนี้แหละเหมาะกับการปฏิบัติที่สุดเลยเราอย่าดัดแปลงใจของเรานะถ้าอยากจะดูใจดูจิต ด, ดูใจก็ใจของเราขนาดนี้เป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ส่วนมากไม่อย่างนั้นนะส่วนมากพอคิดถึงการปฏิบัติต้องวางฟอร์มก่อนทำคลึ้มก่อนทำเป็นสำรวมหลวงพ่อทำให้ดูนะทำเก่งนะเนี่ยทามาเยอะอซึมได้ที่แนละ้วก็คอยจ้องไว้รอดูไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรหรอกไปจ้องไว้อย่างนั้นใจที่ธรรมดาที่สุดน่าดีล่อยให้เขาทำงานแล้วเราก็ตามดูเข้าไปเพื่อให้เห็นความจริงของเขาเมื่อจิตใจนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนเขาไม่เที่ยง จิตใจทนอยู่ในภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้เขาเป็นทุกข์นะจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเลือกไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงคือให้เห็นไจลรลักษณนั่นเอง <mia? S 1> นั้นเราหัดเจริญสตินะมารู้กายมารู้ใจก็เพื่อให้เห็นไจรักษณไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจเราไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขเอาดีเอาสงบแต่เราปฏิบัติให้เห็นความจริงของกายของใจให้เห็นความจริงจิตปล่อยวาง จิตปล่อยวางนะจิตมีความสุขมีความดีมีความสงบของมันเองพวกเราตั้งเป้าของการปฏิบัติผิดแทนที่จะตั้งเป้าเพื่อรู้ความจริงของกายของใจเราตั้งเป้าอยากได้ความสุขอยากได้ความสงบอยากจะดีอยากได้มรรคผลนิพพานเราปฏิบัติเพื่อจะเอาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะรู้นั้นถ้าปฏิบัติเพื่อรู้นะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจพอรู้ความจริงแล้วมันเอาไม่ลงนะ มันจะคืนให้โลกไปจะคืนกายคืนใจให้โลกพวกเราส่วนใหญ่ปฏิบัติเพื่อจะเอานะียจะเอาสุขเอาดีเอาสงบตั้งเป้าของการปฏิบัติให้แม่นๆนะเราง่ายง่ายที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะไม่ต้องทําอะไรรู้ลูกเดียวหลายคนมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะหลังๆนี่มีทุกวันน่ะส่วนมากถ้าไล่ๆไปเดี๋ยวก็เจอคนสองคนมีเรื่อยๆอไม่ได้ทําอะไรเลยสติเกิดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทํานะ สติเกิดทั้งวันทั้งคืนในเบอร์สีแอบไปคิดทราบไหมให้คอยรู้เป็นไงหัดรู้สภาวะที่จิตเผลอไปต่อไปพอจิตเผลอแวบบสติเกิดเองเลยแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นได้ช่วงขณะนะแล้วก็เผลอใหม่รู้สึกใหม่เผลอใหม่ไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลานะการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้มีสติตลอดเวลาอย่าสําคัญผิดสติตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่พระอราหารันต์พระอรหันต์ก็ไม่ได้มีสติตลอดเวลานะ เวลาที่เป็นวิบากจิตก็ไม่ได้มีสติเวลาที่จิตลงภวังไปเป็นภวังขจิตก็ไม่ได้มีสติเวลาที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงก็ไม่ได้มีสติสติมันเกิดในชาวานาจิตเท่านั้นเองตรงนั้นเป็นกิริยาเฉยๆมันเกิดเองอัตโนมัตินั้นเราไม่จำเป็นต้องมีสติตลอดเวลาเรามีสติขึ้นมาแล้วก็เผลอไปมีสติขึ้นมาแล้วเผลอไปอันนั้นแหละดีที่สุดแล้วเพราะเราเป็นได้แค่นั้น การที่เรามีสติขึ้นมาแล้วก็เผลอมีสติแล้วเผลอนี่มีข้อดีมากเลยการที่มีสติขึ้นมา1ครั้งเนี่ยมันได้ตัดชีวิตของเราขาดเป็น2ท่อนแะอย่างคนทั่วๆไปเผลอวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัวเลยมันจะเผลออยู่อย่างนั้นทั้งวันมันรู้สึกมีตัวเราอยู่อย่างนั้นแหะแต่พอมีสติขึ้น1แวบวันนี้เกิดมีสติหนครั้งชีวิตถูกตัดขาดเป็น2ท่อนแล้มีเผลอ2ออันรู้สึกตัวอยู่ตรงกลางอันหนึ่ง ถ้าสติเกิดบ่อยเนี่ยชีวิตจะถูกตัดเป็นท่อนเล็กๆเล็กๆเป็นขณะที่เล็กลงเล็กลงเล็กลงนะเผลอแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกพอรู้สึกได้อยู่ได้แวบเดียวก็เผลอไปอีกแล้วแล้วก็รู้สึกอีกเนี่ยมันจะเห็นเลยจะจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้จิตทั้งที่เผลอทั้งที่รู้สึกตัวเกิดระดับทั้งสิ้นนั้นภาวนาไม่ใช่เอาจิตที่รู้สึกตัวนะ ถ้าภาวนาอยากได้จิตที่รู้สึกตัวคือภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาความจริงการมีสติสมาธิปัญญามีธรรมะอะไรขึ้นมานี่เป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเองอาศัยเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้สึกรู้สึกได้แวบเดียวก็เผลออีกละเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกนี่ชีวิตจะขาดเป็นท่อนท่อนทอนเวลาเผลอก็เกิดความเป็นตัวตนขึ้นมาเวลารู้สึกขึ้นมาความเป็นตัวตนก็หายไป เห็นซ้าแล้วซ้ำอีกนะมันจะค่อยๆล้าความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้งั้นเรามีสติแวบหนึ่งรู้สึกแวบหนึ่งรู้สึกอย่างนี้พอแล้วแล้วก็หลงไปแค่นี้พอแล้วงั้นการปฏิบัติง่ายนะไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแต่ว่าหัดรู้สภาวะแล้วสติจะเกิดทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นของมันเองแต่เดิมสติเกิดยากวันหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งก็บุนโขแล้วนะเพราะคนทั้งโลกไม่ค่อยเกิดสติไม่ค่อยมีสติ นี่เราหัดทีแรกก็นานๆานมีสติทีหนึ่งพ็หัดไปนานๆ น, นะสติเกิดบ่อยคล้ายๆเราทำมาหากินอะทีแรกต้นทุนเราน้อยนะเราหับเต้าหวยขายสมมติได้กำไรวันหนึ่งไม่กี่บาทเรามารวยขึ้นมานะหากินง่ายนะนอนอยู่เฉยๆ เ, เงินก็ไหลเข้าบ้านลนะการภาวนาก็เหมือนกันหัดทีแรกนาะนสติจะเกิดทีนะแต่พอจิตมันจาสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นนะ ชำนี้ชำนาญมากขึ้นสติเกิดทั้งวันเลยไม่ได้เชิญให้เกิดนะเกิดทั้งคืนด้วยยกเว้นเวลาที่จิตลงผวังไปหลับจริงๆ ซ, ซึ่งไม่นานเท่าไหร่หรอกจะรู้สึกนอนอยู่ในร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกได้เองเลยจิตใจยขยับเคยเยื่อนเคลื่อนไหวคิดนึกอะไรมันรู้สึกได้เองเลยทั้งวันทั้งคืนมันต้องเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ไม่เหนื่อยยากถ้ายังเหนื่อยยากอยู่ยังฟืนอยู่ยังฝืนอยู่นะ ใ, ใจยังทําไม่เป็น แต่ฟังหลวงพ่อด้วยความอดทนนะหลวงพ่อไม่เก็บค่าฟังหลวงพ่อเรียกร้องอย่างเดียวนะขอจากพวกเราอย่างเดียวว่าอดทนต้องฟังแล้วฟังอีกฟังยนสติมันเกิดขึ้นมาตอนหลวงพ่อเด็กๆ เ, เคยได้ยินพวกอาจารย์อภิธรรมบางท่านสอนอาจารย์สุจินบริหารวันาเขตแค่จะสอนลูกศิษย์เลยอย่าเพิ่งรีบปฏิบัตินะคะฟังซะก่อนฟังไปเรื่อยเมื่อก่อนเราก็ฟังแล้วงงไม่ปฏิบัติให้แต่ฟังเหรอ มันก็เป็นการเรียนปริยัติสิแต่ถ้าการฟังนั้นฟังเรื่องสภาวะนะฟังเรื่องสภาวะสติมันจะเกิดดังนสิ่งที่หลวงพ่อพูดเป็นเรื่องสภาวะทั้งหมดเลยเป็นเรื่องสภาวะล้วนๆเลยกับเรื่องการทางานของสภาวะเป็นเรื่องของจิตและการทำงานของจิตอย่างนี้เป็นต้นฉงนั้นถ้าฟังไปมากๆสติเราหยัง่งลงไประลึกได้ขึ้นมาระลึกเอง พอเราลึกได้ครั้งหนึ่งสองครั้งต่อไปเราลึกได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นเบอร์ 3.3 รู้สึกไหมมันจะรู้สึกได้ถี่ขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเองรู้สึกเองนิ่เพิ่งมาเรียน3ามครั้งเองเรียน3มครั้งสติเกิดเองละค่อยราลึกขึ้นได้เองตอนนี้ขาดสติแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมมีคนเดินอั้นไปดูเห็นคนรู้สึกไหมไม่มีใครเห็นรูปหรอกนะเห็นคน ยกเว้นดัดจริตนะนี่ไม่ใช่คนนี่รูปเนี่ยคิดอย่างนี้อีกนะคิดว่ารูปก็ไม่ใช่รูปนะหเห็นรูปไม่ใช่ง่ายนะนำมาทำแต่ ง, ง่ายเมื่อเช้าหลวงพ่อทดลองให้เบอร์แปดสิบห้าตอบนะเด็กเนี้ย <c oughs> เด็กรู้จักสภาวะเยอะรู้จักกระทั่งว่าแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันของเราโตๆแล้วรู้สึกไหมแต่ละวันรักเมียไม่เท่ากัน จริงๆง่ายนะง่ายมากมาเลยอ่ะไปถึงไหนคุณมมกุโอดะก็ชาวนี้ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเพ่งมากเดี๋ยวก็เพ่งน้อยมันก็เดี๋ยวแน่นเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวแน่นเดี๋ยวเบาทั้งแน่นทั้งเบาก็ไม่ได <f lett US> <f ability> ้เอาไว้ยึดถือเอาไว้ดูให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงแล้วเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้นอนไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยแล้วจิตมันจิตมันตื่นมันคงพักได้เพียงพอมันก็ตื่นขึ้นมาก็ก็เห็นร่างกายนอนกลนอยู่ อมันต้องอย่างนั้นสิก็ดูก็ดูวนไปประมาณห้าถึงสิบนาทีเนี่ยฮะแล้วก็ลองจะพยายามเอาจิตออกมาจากร่างกายจะมาดูดูมันนอนก็พยายามออกมาออกไม่ได้รู้สึกมันมีแสงขาวๆดูดดูดจิตมันเอาไว้เนี่ยไปหัดอย่างนั้นหัดอย่างนั้นวิถีฐานไปอ่อนถ้าอย่งนี้ก็คือดูไปธรรมดาแค่รู้เฉยๆหนะ้ไม่ต้อง <c oughs> ถอดออกมาถอดมาเดี๋ยวไปเที่ยวยุ่งไม่บริฟังหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไปนั่งสมาธิดูหลักไอ้ตรง ขาวๆอะตรงที่แสงขาวๆนะเรารู้อยู่ที่นั่นนะแล้วแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้อยากไปไหนนะก็ตามมันไปดูเหมือนก็ใฉายไฟไปดู น, นนะ่แล้วก็ลืมกายแนละ้วมันก็วิ่งไปเลยแต่อย่าไปดีกว่านะเดี๋ยวไปเจออะไรเข้าจะตกใจอา้าวคุณยายคุณยาย วันนี้เหมือนมีโมหะแล้วก็มันดูฟังหลวงพ่อพูดแล้วมันจะไปแบบตามคิดคิดคิดคิดคิดคิดตลอดจ้าใช่ได้คุณหญยเห็นถูกต้องแล้วใช่ได้แต่มันมันรู้สึกว่าช่วงนี้พอเห็นอะไรแล้วพอรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้สึกว่ามันจะเบาพอเบาแล้วมันจะติดนิ่งไปไหมเจ้าคะสงบไปไหให้เรารู้ทันไงนะจะติดหรือไม่ติดอยู่ที่รู้ทันหรือไม่รู้ทัน ถ้ารู้ไม่ทันจิตเกิดราคาขึ้นมาก็ติดถ้าให้รู้ทันมันเหมือนแบบแบบสงบแล้วเหมือนไม่ได้ปฏิบัติอะไรอย่างนี้ฟังก็ฟังไปงแต่รู้สึกไปเรื่อยๆนะเหลียวซ้ายแล้วขวากระดุกกระดิกอะรู้สึกเอ า, อาร์อาร์ไม่มีอะไรส่งส่งมาให้พึ่งหนึมันกระจายกระจายแล้วมันก็เพ่งแล้วมันก็แน่นแล้วมันก็ดีตอบถูกทุกอันเลย แล้วมันก็ตั้งใจอ่ะเออดีแล้วมันตั้งใจนะ้ําอยากปฏิบัติก็เลยจงใจปฏิบัติจงใจปฏิบัติก็ไปเพ่งไว้ไปจ้องไว้ไปรอดูว่าจะมีอะไรให้ดูไปรอดูไปเพ่งไว้ใจก็ไปเกาะก็ แ, แน่นแน่นขึ้นมามันเหนียวเหนียวแล้วก็อืเหมือนกับว่าอยากได้อะไรก็ไม่รู้ออะืมเนี่ยตอบถูกนะมีเหนียวเหนียวด้วยใครเคยเห็นไหมพระว่าเหนียวเนียว ไม่ใช่เหนียวอย่างเดียวนะเหนียวหนาด้วยมีภาวะแห่งความเหนียวหนาเนี่เวลานักปฏิบัติคุยกันถึงสภาวะนั้นภาษาพิลึกพิลั่นนะแต่มันรู้เรื่องกันนะมันเหนียวเหนียวใช่บางทีมันเนอะเนอก็ได้นะดีละอ่ะสมนุรัตเป็นไงก็ดูไปเรื่อยๆนะคะหลวงอาก็ พราะว่ามันจะรู้ตัวได้ถี่ขึ้นนะคะตอนนี้เป็นปกติไหมไม่เป็นปกติค่ะตอนนี้เริ่มเกรงอะค่ะเออตับถูกแล้วใช้ได้แล้วไงก็เมื่ีมีสภาวะจากข้างนอกกระทมากระทบเนะะี่ยค่ะหลวงอาเมื่อก่อนมันจะค่อนข้างต่อต้านอย่างนี้ก็คือทิ้งไปก็คือเพิ่อย่าไปต้านค่ะแล้วต้านแล้วเหนื่อยแล้วต้านไม่ได้ด้วยต้านไม่ได้จริงอะค่ะก็ให้ดูเป็นใจรักแล้ว<ม>ถ้าดูเป็นใจรักมันก็ดูความไม่มีตัวตนด้วยนะคะหลวงอาได้ได้ นะครูบาอาจารยองค์หนึ่งนะอาจารย์ทองรัตนะ์เดินทุดงไปเจอเปลตทําไงมันก็ไม่ไปนะส่วนมนก็ไม่ไปทําไงไม่ไปท่า น, นโดดเตะเลย <laughs> ไอ้เปลตมึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <laughs> โดดเตะใหญ่มึงอนิจจังทุกขังอนัตตานอะแม่เปลตได้ยินว่าตัวมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตกใจมันหนีไปเลยรับไม่ได้เลยรับไม่ได้ <laughs> ทนไม่ได้พระอะไรพระโดดไล่เตะ <laughs> <laughs> จริงๆไม่ว่าเจออะไรนะดูลงเป็นใจรักษณ์สู้ได้แต่แรกๆมันก็รู้สึกวอยวานกันทังอาว่าทำไมต้องเจออีกแล้วอย่างเงี้ยแต่หลังก็นึกขึ้นได้ก็สติลุกขึ้นมามันก็เลยวางไปอะค่ะแต่ไม่เจอแม่รู้สึกไหมเจอป่ะเมื่อวานตอนตื่นเช้ามาเพิ่งฝันเนี่ยค่ะเว้ยฝันไม่เอาสิฝันใครๆก็ฝันเป็นเจอจริงๆเหรอคะฮะหมายถึงเจอแม่จริงๆเหรอคะเว้ยเจอจริงที่ไหนแม่ตายไปแล้ว <laughs> หลวงอาบอเจอแม่หรือเปล่ามันก็ตกใจสิครับอาต่เห็นเที่ยวเจอผีไปเรื่อยนะพอแม่ตายกับไม่เคยเจอเลยเมื่อไม่เคยค่ะ<อ>ไม่อยากกลัวค่ะกลัวแล้วผีอื่นกลัวอะรล่ะคาญนะคะหลวงอาอ ม, มากกว่าเพราะว่าเจอตอนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทันตั้งตัวคะแต่ว่าจะบอกอะไรอย่างนะเวลาที่เราเห็นผีจริงๆอะ่ะจิตจะไม่กลัวและจิตจะทรงอยู่ในสมาธิ งั้นตอนนั้นถ้าเรายัางรู้สึกกลัวนะใจมไม่ใช่ตัวจริงหรอกไม่ต้องกลัวหรอกอใจเราแต่งขึ้นเองงั้นเวลาเวลาเห็นไม่กลัวนะเวลากลัวนะไม่ได้เห็นหรอกถ้าเป็นพลังงานละคะหลวงอาพลังงานมันรู้สึกได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่เลม า, มาที่กระ <laughs> จุกเลยเราต้องใช้วิชาอันหนึ่งพลังงานมาอย่าไปต้านมันปล่อยให้มันทะลุไปอันนี้ ในมังกรหยกเรียกวิชาตอนต่อบุปผามีวิชานี้จริงๆเหรอคะมีสิอ่อเนหนึ่งตอนแรกที่เจอกิเลสเยอะๆนะคะอาจารย์รู้สึกว่าสกปรกแล้วก็คันๆดีแล้วก็พอหลังๆเจอบ่อยๆ ไปเห็นตัวที่ว่าสปกปรกขันขันมันรู้สึกถึงอกถึงใจแล้วก็ชอบกิเลสไปเลยอะไรนะชอบชอบชอบกิเลสค่ะพระอาจารย์เ<อ>รู้สึกงงแตกว่าเอ๊ะทาไมเราถึงอกถึงใจที่ เ, เห็นกิเลสเนี่ยเอเอดีดียางนั้นแหละภาวนาต้องถึงอกถึงใจจริงๆรค่ะว่าแล้วก็ตอนหลังก็เลยบางครั้งที่เห็นกิเลสมันก็ไม่รู้สึกอะไรอ ตอนแรกเข้าใจว่าเฉยๆลกลางๆแต่พอมองไปบางมมันไม่ไม่ไม่กลางจริงค่ะ ม, มันมีบางอย่างคือเฉยนิดโอ้โน น, นานได้ละเอียดนะดีค่ ะ, ะนี่อ้อยเบอร์หนึ่งโนนาอ้อยเบอร์นี้ลหายไปไหนเบอร์ไม่มีเบอร์พี่ชัยพี่ชัยรู้สึกว่ายังไม่ปกติเท่าไหร่แต่ไม่มีอะไรเกินไปใช่ไหมครัเนอไม่เกินใช้ได้บังคับเกินไปนิดนึง เกินปนปจงใจไปหน่อยเออจงใจเกินไปนิดนึ่งแต่ส่งต่อไปคนไหนไม่เอาก็ผ่านไปนะไม่ว่ากันเดี๋ยววันนี้ได้อีกสิบสองสิบสามนาทีพ่อต้องไปธุระครับเกอธรรมสการของพ่อครับกออ็อาศัยฟังจากซีดีของหลวงพ่อมาได้ปีกว่ากว่าไม่เคยส่งกันบ้านนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกก็เมื่อเช้าที่มาก็คือผมมักจะมีปัญหาเรื่องจิตเป็นอกุศลนนะครับเมื่อเช้าก็มีปนกันสองอย่างคือ ง่วงแล้วก็บังคับตัวเองไม่ให้มีจิตเป็นอกุศลนะครับตรงที่เราไปบังคับตัวเองเนี่ยมันเป็นกุศลนะมันเกิดจากว่าใจเรารักดีแต่ว่ากุศลตัวเนี้ยมันไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็เลยพยายามเข้าไปแทรกแซงถ้ามันประกอบด้วยปัญญามันจะเห็นเลยจิตมันจะง่วงนะมันเรื่องของมันเราห้ามมันไม่ได้ถ้าใจของเราเป็นกลางกับมันใจจะไม่ทุกข์แต่ถ้าใจไม่เป็นกลางใจจะทุกข์ รู้สึกไหมอย่างเพราะฉะนั้นเวลาง่วงนะอย่าไปฝืนมันฝืนแล้วปวดหัวแล้วก็ดูใจของเราใจเราไม่ชอบมันรู้ว่าไม่ชอบดูไปแล้วมันจะหลับก็ให้มันหลับไปไม่เป็นไรยกเว้นตอนขับรถนะไม่ได้นะต้องตื่นตื่นนะที่คุณทําอยู่พอใช้ได้แล้วล่ะใจค่อยตื่นแล้วคุณเห็นกิเลสได้เรื่อยๆแล้วล่ะดูออกใช่ไหมนั่นแหละดีแล้วยัได้ะเห็นกิเลสได้เองแล้วกราบหลวงพ่อนะครับ ขอโทษแป๊บหนึ่งใจลอยไปแล้วนึกออกไหมเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมอย่าไปบังคับมันเผลอก็เผลอนะใจลอยก็ใจลอยง่วงก็ง่วงไม่ฝืนหรอกเราจะปฏิบัติกับกิเลสนะเหมือนเราเป็นใจเราเป็นเรือนะเรือทอดสมออยู่ในน้ำน้ำไหลผ่านไปให้มันไหลผ่านไปเฉยๆเรือไม่ต้านน้าแต่ไม่ไหลาตามน้า งั้นอย่างใจเราง่วงหรือใจเราอยากปฏิบัติใจเรามีกิเลสอะไรขึ้นมาให้รู้เฉยๆรู้ด้วยความเป็นกลางไปรู้แล้วใจเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบค่อยฝึกนะของคุณดีแล้วละค่อยทําไปผมมาใหม่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับหัดเริ่มเริ่มต้นก็ไปหาย ใ, ใจต่อไปนะแต่ว่าไม่ใช่ใหายใจให้สง บ, บเปลี่ยนซะหายใจออกก่อน <c oughs> อยาหายใจเข้าก่อนจํานะนี่เป็นเคล็ดกว่าหลวงพ่อจะเรียนมาได้นานนะเหนื่อยแทบตายเลย เวลาฝึกหายใจนะให้หายใจออกก่อนรู้สึกไหมถ้าหายใจออกก่อนจิตจะคลายตัวออกถ้าหายใจเริ่มต้นด้วยหายใจเข้าก่อนนะจิตจะอัดเข้ามาดงนั้นหายใจออกก่อนจิตจะคลายในพระไตรปิฎกก็มีนะสอนเอาไว้ว่าพิกษูทั้งหลายให้คูบรรลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจออกใจจะผ่อนคลาย แล้วก็เราพอใจเราผ่อนคลายเรารู้ว่าใจผ่อนคลายหายใจไปด้วยใจที่ผ่อนคลายเรื่อยๆต่อมาใจแอบไปคิดอะไรแวบเราก็รู้สึกแวบก็รู้สึกนะความผ่อนคลายหายไปก็รู้ว่าผ่อนคลายหายไปคอยตามดูใจไปเดี๋ยวก็ดีเองแหล ะ, ะ, ะส่งต่อแหมดีมากเลยนี่พวก4ีู่นรไปแล้วสี่คนถาวสักนิดหนึ่งค่ะไม่ค่อยได้ปฏิบัติเพราะว่าปกติ เวลาทำงานกลับบ้านรู้สึกว่าเหนื่อยพอจะดูใจเรารู้สึกว่าล้าอยากจะไปนั่งฟังเพลงมากกว่าอยากนั่งฟังเพลงหลวงพ่อไม่ว่านะให้รู้ว่าอยากนั่งฟังเพลงแต่พอฟังแล้วเหมือนก็จะขาดสติใช่ไหมคะเพราะถ้าสนุกไปกับเพลงฟังแล้วนะ เ, เกิดชอบให้รู้ว่าชอบฟังแล้วราคาญรู้ว่าราคาญงั้นฟังเพลงก็ทำกรรมฐานได้นะฟังเพลงแล้วก็ดูใจไปดูหนังก็ได้นะ แต่ว่าไม่เกี่ยวกับพระนะ <_ d ata> ไม่เกี่ยวนะนี่สอนโยมดูหนังก็ได้ดูไปแล้วนางนางเอกเราผู้หญิงเราพระเอกหล่อเราชอบเนี่ยรู้ว่าชอบเห็นผู้ร้ายเกลียดมันรู้ว่าเกลียดเห็นหนางเอกอุย้ยสวยกว่าเราอิจฉามันรู้ว่าอิจฉาเยดูไปงี้หรือเห็นหนางเอกถูกเขาแกล้งสงสารรู้ว่าสงสารเอาใจช่วยรู้ว่าเอาใจช่วยนางเอกถูกแกล้งมาตั้งแต่ต้นเรื่องจะจบแล้วยังถูกแกล้งอีกอินี่โง่ล้วช่างโมโหแล้ะ รู้ว่าโมโหอย่างนี้นะฟังเพลงก็ได้ทํางานแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจเนี่ยภาวานาได้ทั้งวันเนะ่ยภาวานาไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาอะไรกราบธรรมสการหลวงพ่อเช่าค่ะวันนี้รู้สึกว่าจะรู้สึกตัวดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่นนใช่หลวงพ่อจำแทบไม่ได้เลย <คะ S 2> จิตมันเปลี่ยนไปแล้ว<ค>ะหลวงพ่อไม่ได้จําหน้าโยมนะเพอจิตเปลี่ยนเนี่ยจําไม่ได้เลยถ้าไม่คุยด้วยไม่จําไม่ได้อะ่ะ แล้วก็วันนี้รู้สึกหลวงพ่อตอบคําถามอยู่คําถามหนึ่งคือว่าตอนที่เราตายไปแล้วเนี่ยถ้าจิตเราเป็นอนัตตาแล้วจิตไปเกิดเนี่ยมันมัน ด, ดวงไหนจะไปเกิดนะคะตัวใหม่ไปเกิดแล้วค่ะนะมันเหมือนจิตดวงหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นลูกของจิตดวงก่อนถ้าพ่อแม่มันมีมรดกเยอะใช่ไหมลูกมันก็รวยพ่อแม่มันมีหนี้เยอะลูกมันก็จนจิตดวงใหม่เนี่ยถ้าจิตดวงเก่ามันทํามรดกทําบุญไว้เยอะเนี่ย บุญมันให้ผลมันดีดสสมันเหมือนลูกกันค่ะแล้วหลวงพ่อได้ตอบแจ้งแล้วเจ้ค่ะค่ะช่วงที่นี่ปฏิบัติเนี่จะรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่เข้าไปอินกับเรื่องราวต่างๆก็จะรู้เป็นทุกข์แล้วร่างกายก็จะถอยถอยออกมามองเป็นผู้รู้ผู้มองก็จะดีขึ้น อ, อย่าจงใจเป็นผู้รู้ผู้มองน ะ, ะถ้าจงใจแล้วใจจะแข็งเกินไปนิดนึงอตอนนี้ใจเกินนิดนึงดูออกไห ม, จไมใจมันแข็งแ ข, ข็งเกินไป รู้สึกไหมมันแข็งแข็งทื่อๆนิ่งๆอันนี้เกินจริงของคุณเสื้อแดงนะใช้ได้พอดีเป๊ะเลยภาวนาเก่งนะดีแต่ว่าเสื่อมได้นะ <c oughs> เดี๋ยวหลวงพ่อบอกเก่งเลยสบายแล้วนอนแอ้งแมงนะเสื่อมไปเลยดีภาวนาเก่งใช้ได้ตื่นได้เต็มที่เลยนะั <c oughs> ด่ดีภาวนาได้ดีมากเลยอ่ะได้สองสามคน ช่วงร ะ, ะระยะหลังนี่รู้สึกสติเกิดบ่อยครับอืมอมีช่วงสองสาวันนี้ไม่สบายครับเอมันเหมือนกับจะหลงไปนานเอเมื่อวานนี้รู้สึกไม่สบายเหมือนความไม่สบายมันเข้าถึงจิตถึงใจพอดีตอนแรกพยายามภาวนาดูพยายามดูมันดูน ด, นดูไม่ได้มัน เหมือนกับไม่มีกำลังไม่มีกำลังอย่าไปต้านมันไม่มีกำลังรู้ว่าไม่มีกำลังอยากมีกำลังรู้ว่าอยากมีกำลังด้วยอย่างนี้เลยนอนนอนนอนหนาวอยู่ห่ผมผ้ารู้สึกว่าหนาวไปถึงจิตถึงใจกินกินยาแก้ปวดลดไข้แ้วยังไม่รู้สึกว่าดีแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งมองไปเห็นว่ามันเหมือนกับกายกับกับใจมันอยู่คนละที่ ม, ทมันก็เลยรู้สึกว่าใจมันไม่เป็นทุกข์แล้ว ลูกขึ้นมาเหมือนปกติเลยครับ<ด>แต่วั น, นวันนี้มันติดเพ่งไปหน่อยครับตอบตัวอีกอดีภาวนาดีนะดีใช้ได้ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดกิเลสอย่างมากๆอ่ะนะคะแล้วก็มันมันมันฟุ้งซ่านแล้วมันทุกข์แล้วมันก็ผ ล, ลักใส่ ม, มันก็ผลักไม่ไม่อยากจะทุกข์พอผลักหนัก ๆ, ๆเข้าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปไปยึดถือหลวงพ่อเคยบอกว่ามันเป็นภาระของจิต เออมันเป็นภาระจริงๆด้วยทําไมมันมาหนักอย่างนี้ออืก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องวางมันมันมันก็วางมันก็ดีขึ้นน่ะเมื่อวานช่วงบ่ายๆจนวันนี้มันมันดีขึ้นกับไอ้ภาระที่ว่าเท่าไหร่ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่วางทุกวันอนะบางวันมันก็ไปหยิบมาอีกแล้วก็บอกเอาวางซะวางซะไม่ยอมนีมันแสดงริดเดทให้เราดูนะว่าบังคับไม่ได้อย่าตกใจนะคดีแล้วที่ภาวนาใช้ได้เลยวันนี้ภาวนาเก่งๆเยอะนะ อาโยมเป็นไงโยมครับอนุสการหลวงพ่อครับก็วันนี้เโอกาสดีปีใหม่ที่ mm hmm. ผมได้มาที่นี่ครั้งแรกนะครับ mm hmm. ก็อยากจะ uh, เรียนสอบถามให้หลวงพ่อช่วยวิเคราะห์จิตผมหน่อย mm hmm. คือที่ขณะที่ผมนั่งฟังหลวงพ่อให้คําสอนต่างๆนะครับคือผมจิตผมมีความสุขนะครับที่จะตามหลวงพ่อไปเรื่อยๆแต่มันมีสิ่งที่มากระทบเราเหมือนอย่างคนลากเก้าอี้ดังๆหรือ mm hmm. คนวางจานเสียดดงดังๆเนี่ยทําให้ใจลบเกิด ม, มันมืนมีความโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยว่าเรากำลังมีความสุขอยู่เงี้ยเอ๊ะทำไมเขาทําเสียงดังอย่างเงี้ย ม, ม, มันมีลักษณะอย่างแคร์ดดีล้วโยมนะโยมดูไปจิตใจมีความสุขก็รู้นะจิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้รู้ไปเรื่อยๆถึงว่าหนึ่งมันจะเกิดปัญญาว่าจิตเนี่ยเป็นของที่เราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกถ้าเห็นอย่างนี้ได้พระโสดาบันนะ<ม>ดีนะที่ภาวนาใช้ได้เลยเคยมาไหมฮะเคยมาไหมที่นี่ไม่เคยครับเลย แฟนเขาพยายามให้ตั้งที่หลวงพ่อไปศาลาลุงชินแล้วอะค่ะอยู่ ใ, ใกล้บ้านก็มีโอกาสศาลาลุงชินคนเยอะไปก็ที่นี่มามเขาก็ให้ชวนมาที่นี่อครับดีแล้วละ่ะจิตใจมีความสุขเรารู้แม้พอความสุขถูกทําลายโทวสะก็เกิดครับเวลามีความสุขเนี่ยเราจะชอ บ, บให้ยมรู้ทันว่าใจเราชอบในความสุขนี้นะพอรู้ทันความชอบความชอบจะดับไปเมื่อที่ความสุขหายไปด้วยก็ไม่ต้องเสียดายนะมันของเกิดดับเกิดดับ ให้รู้ทันเวลามีความสุขใจเราชอบก็รู้ทั น, น, นเวลาคนมาก่อกวนความสุขของเราใจเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันให้รู้ทันใจบ่อยๆใช้ได้พ่อนายเก่งสอนไว้เยอะๆดีละขอบคุณครับดีมากเลยนะถ้าบ้านไหนฝึกได้ทั้งบ้านนะเป็นมงคลมากเลยนะบ้านนั้นมีความสุขเอาเท้าปีใหม่เป็นไงนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะก็ปีใหม่นี้ตั้งแต่เมื่อวานเจ้าค่ะ อยากฟังธรร ม, อ, มอยากเรียนเจ้าค่ะจนตอนนี้ก็ยังมีอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านบ้างความจริงธรรมะนะถ้าเถาไม่ได้มาวัดก็ไม่ต้องตกใจธรรมะอยู่ที่เราเองจิตของเราแสดงธรรมทั้งวันทั้งคืนบางวันก็แสดงเรื่องความโลภให้ดูใช่ไหมบางวันแสดงความโกรธให้ดูเนี่ยเขาแสดงอยู่แล้วให้เราคอยเงียหูฟังธรรมก็แล้วกันฟังะะธรรมในใจเรานี่แหละเร็วที่สุดเลย ฟังธรรมข้างนอกเนี่ยเพื่อให้รู้วิธีที่จะมาฟังธรรมภายในเท่านั้นเองแปขงน้นเลยไปในนิพพาก็ตามรู้ใจได้มากขึ้นครับบังคับกายบังคับใจเปล่าบังคับครับเออบังคับให้รู้ทันแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยครับเออทำไม่ได้หรอกบังคับได้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้รู้สึกไหมนิใจมันหนีตามไมโครโฟนไป กับนมัสการหลวงพ่อครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะตามได้ตามสติได้บ่อยนะครับดีใช้ได้ถูกแล้วโอ้วันนี้ได้แค่นี้นะไหวไหมอ่ะแถมอีกคนนมสการหลวงพอ่อผมก็พึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มาฟังหลวงพอ่อแนะนำวิธีปฏิบัติ ต่างๆก็คิดว่าถ้ามีโอกาสต่อไปก็คงจะมาบ่อยขึ้นจริงๆผมมาศรลชาตานานแล้วแต่ก็เพิ่งมาเมื่อวานก็หาหนทางมาก็มาถึงนี่ก็เลยเวลาแล้ว <c oughs> เมื่อเช้าก็กับภรรยาผมคอมาอีกครั้งหนึ่งครับเอาซีด <CD S 2> ีไปฟังนะซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนใครหรอกถ <c oughs> ้าฟังบ่อยๆแล้วจิตมันจะตื่นขึ้นมา พอจิตมันตื่นขึ้นมาเราจะรู้ตัวเลยพอกิเลสมานะมันรู้สึกเองเลยนะเห็นเลยกิเลสไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปจิตอยู่ต่างหากแล้วเห็นเลยความสุขมาแล้วก็ไปความทุกมาแล้วก็ไปพอเราเห็นทุกอย่างนะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปเห็นมากๆเนี่ยต่อไปจิตมัเกิดปัญญามันรู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเรานี่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยงั้นต่อไปเวลาความสุขมานะเราก็ไม่ยินดีมากหรอกเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ไปความทุกมาเราไม่ทุรนทุรายเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ไป ใจเราจะค่อยเป็นกลางใจเราค่อยมีความสุขท่ามกลางความวุ่นวายของโลกนี้แหละจิตใจเราเป็นกลางจิตใจเรามีความสงบสุขอยู่ได้เรื่อยๆค่อยๆฝึกนะคนไหนอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ถ้าฝึกไปเรื่อยคนไหนยังไม่พร้อมชาติต่อๆไปก็ฝึกง่ายล้วเพราะว่าเคยฝึกถ้าชาตินี้เราไม่เริ่มต้นชาติหน้าก็ยากอีกแหละถ้าเราเริ่มต้นนะหัดรู้สึกหัดฟังฟังหลวงพ่อบนะฟังซีดีไปเถอะ เนสติเกิดนนะั้นเราจะรู้เลยว่าชีวิตจิตใจของเราไม่เหมือนเดิมหรอกเราเปลี่ยนนะหน้าตายังเปลี่ยนเลยคุณเสื้อแดงเนี่ยรู้สึกไหมสองกระจกดูรู้เลยนะหน้าไม่เหมือนเดิมหรอกคนที่มันตื่นขึ้นมานะหน้าตาสดใสซาบซ่านะแล้ว <c oughs> คนภาวนาไม่เป็นหน้าตามอแมแอมดำดำดางดาง่างยังรู้สึกตัวขึ้นมานะเรามีความสุขเปีใหม่นี่ก็รู้สึกตัวไว้นะโยมทั้งหลาย หลวงพ่อไม่รู้จะให้พอรอะไรเพราะพรทั้งหลายเป็นเรื่องหลอกลวงอยากได้พรก็ต้องทำเอาเองไม่มีศีลก็มีศีล น, นะไม่มีทานมีทานมีศีลหัดดูกายหัดดูใจของเราไปแล้วเราจะได้รับพอรอั น, นวิเศษที่สุดจากธรรมชาติเลยถ้าเรารู้กายรู้ใจถึงจุดหนึ่งนะมันจะมีสติขึ้นมาพอมีสติก็มีความสุข เราก็มีสติมากเข้ามากเข้านะจิตใจเราตั้งมั่นสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกนะเราก็มีความสุขเราก็ตั้งมั่นรู้โลกไปตามความเป็นจริงจิตเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของโลกนะจิตปล่อยวางโลกได้นะนีม่มีความสุขที่สุดเลยงานทางาศาสนาพุทธไปสิ้นสุดตรงที่เราปล่อยวางความทุกข์ลงไปได้หมดนั่นเองงานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีวันสิ้นสุดนะ เอาล่ะให้พรหน่อยตามธรรมเนียมปีใหม่นานๆให้ทีหนึ่งนะยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสะครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนราโสยธถามณีโชติราโสยะถา สัพพิติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังมุธาปจายโนจัตตารุธมาวันตีอายุวันโนสุขังพะลังภวตูสัพพังฆลังรักขันตูสั พ, พเท ว, วตา สัพพุท ธ, ธานุภาเวนาสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนาสดาสธีพระวันตุเตมีความสุขนะมีความสุขทําดีแล้วมีความสุขเชิญกลับบ้านโยมคนไหนไม่มีหนังสือไม่มีซีดีเชิญไปรับฟรีข้างหลัง